พระธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่25ทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่ามงคลแห่งชีวิต วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเย็นนี้พวกเราได้มาร่วมกันทาวัดเย็นไหวพระเจริญพระพุทธมนตที่พวกเราเคยทำมาทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำแต่วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวัน ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดแต่ทาจันทรคติเราก็คงจะเป็นปีใหม่แล้วล่วละการนี้ยังเป็นปีเก่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะวันนี้เป็นวันที่ยีิบห้าธันวาอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วก็คงจะขึ้นเป็นปีห้าเก้าแต่ทางจันทรคติทางจันทรคติเนี่ยล้ําหน้าไปก่อนแล้ว เป็นครึ่งเดือนแล้ววันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราพวกเราได้สวดระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และลึกถึงพระธรรมคำสอนของพุทธะไม่ใช่เราสวดอ้อนวอนนะการสวดมนต์ในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่เราสวดอ้อนวอน ให้พระเจ้ามาช่วยเราอยู่งุ้นอย่างนี้ไม่มีแต่ละการสวดให้คล้ายๆกับสวดให้เป็นพระธรรมคําสอนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราสวดอเสวนาอย่างเนี้ยในบทหนึ่งที่เราสวดอเสวนาจะบารานังบันเิตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังความแปลและความหมายในบท มงคลรสูตรมงคลสามสิบแปดในบทนี้เป็นมาอย่างไรสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีเป็นวันนักกษัตริย์หรือว่าเป็นวันปีใหม่เนี่ยหรือว่าเป็นวันเดือนสิบสองเพนในยุคสมัยนั้นมีคนคนหนึ่ง กล่าวในที่ชุมชนความเป็นสิริมงคลจงเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยความเป็นสิริมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อด้วยตอ น, นกัคนนั้นก็หายเงียบไปแต่ไม่รู้ใครกล่าวจากนั้นก็มีการถามไถ่กันขึ้นมาเอ่ยคำว่าสิริมงคลคํำนี้นะ่ะ อันตรงไหนคือเป็นสิริมงคลเออคนหนึ่งเขาบอกว่าการได้เห็นสิ่งที่สวยๆงามๆนั่นแหละเป็นสิริเป็นมงคลตลอดไปคนหนึ่งว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่เออบางทีก็เห็นของขี้ร้ายขิเละขึ้นมาล่ะในช่วงนั้นล่ะมันก็เป็นอัปมงคลอีกเหมือนกันมันไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ในการเห็น คนนึ่งได้ยินได้ยินนี่แหละเป็นมงคลคนหนึ่งก็ใช่ได้ยินบางทีเขาเสียงเขาด่าเราอีกมันก็ไม่น่าจะเป็นมงคลอีกมันไม่ใช่จะได้ยินแต่เสียงเสียงเพาะเพาะมีแต่เสียงย่อกย่องสรรเสริญอย่างเดียวไม่ใช่โล ก, กเนี่ไม่น่าจะว่าคําว่าได้ยินคํำนี้มันต้องได้ยินเสียงไม่ดีดีได้ไม่ดีด้วยนี่แหละคนทางหลายเขาก็เลย สนทนาปลาลบกันไม่มีใครเป็นผู้ตัดสินใจได้ไม่มีใครยอมใครไม่ใครไม่มีใครฟังใครมันมีการเถียงกันมีหนึ่งแล้วก็มีสองมีมืดก็มีแจ้งมีแจ้งแล้วก็มีมืดลักษณะอย่างนั้นไม่มีใครที่จะตัดสินใจจะนี้เทวดาภูมิลุกขเทวดาเขาก็ถามกันอีกทีเอ๊ะคำว่ามงคลคำนี้นี่มันอันไหนคือมงคลกันแน่ เทวดากับถกเถียงกันขึ้นจนถึงชั้นต่าจนถึงชั้นไปจุดถึงพระอินทร์พระอินทร์เป็นจอมทัพเป็นจอมเทวดาไปถามพระอินทร์พระอินทร์ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันโอ้คำที่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าพระอินทร์ก็เลยลงมาถามมากราบถูนถามพระพุทธเจ้าในเวลาเที่ยงคืนดึกสงัดวันหนึ่ง พระอินทร์ก็ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะคําว่าคําว่าเป็นมงคลได้เป็นสิริมงคลเนี่ยจงเกิดกับข้าพเจ้าตลอดกาลคำว่ามงคลคํานี้เนี่ยคืออะไรหนอพระเจ้าข้าที่จะเป็นมงคลพราเทวดาทั้งมนุษย์เขาก็สนเท่กันไม่มีใครตัดสินใจได้ก็คงจะมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์มีความคิดเห็นเป็นประการใดหนอพระเจ้าข้าเนี่ยพระองค์บอกว่า ฟังอย่างนี้มันเคยเกิดมาแล้วแต่ท่านทั้งหลายจงฟังคำว่ามงคลพระองค์ก็บอกว่าอเซวนาจะบาลานังบันฑิตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังคำว่าอเซวนาเกี่ยวขึ้นขึ้นต้นเลยอย่าคบคนผ่านอย่าคบคนผ่านอย่าคบคนชั่ว ถ้าผู้ไรก็ตามไปคบคนผ่านไปคบคนชั่วนั่นแหละเป็นอ ป, ปมงคนแล้วก็บทที่สวงว่าบันดิตานันจะเสวนาให้คบบันดิตนักป่าให้คบคนดีคนไหนคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมติดดีให้คบคนนั้นนั่นแหละเป็นมงคนแล้วก็ปูชาจะปูชนียานัง ให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาคนชั่วอย่าบูชาบูชาคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นคนดีให้บูชาคนนั้นให้บูชาพ่อแม่เออระ่าผู้มีอุปกระคุณกับกับเรายบูชาบุคคลที่ควรบูชาะไม่ใช่ว่าบูชาเกวรเลกวราดไปเห็นอะไรก็บูชาเปวนไม่ใช่เป็นอัปมงคลนี่พระพุทธเจ้า ท่านตรัสไว้ ย, ยังงันบทที่สองว่าปฏิโลภเทสวาโซจะปุเพจักตะปุญยตาอัตตสัมมาปณิธิปฏิโรปรเทสวาโซจะให้อยู่ในประเทศอันสมควรประเทศที่ที่ผู้ใดมาเกิดมาในประเทศที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นประเทศที่ธรรมชาติ ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยจัดว่าเป็นปฏิรูปประเทศน้านําก็ไม่ท่วมมากหนาวก็ไม่หนาวเกินไปร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปแผ่นดินก็ไม่ถลม่มไม่มีภูเขาไฟหลักณ น, นี้ลนี่แหละเนี่ยปฏิรูปประเทศสวาโซจะแล้วก็คงจะเป็นปุเพจกตะปุญญาตาคงจะได้ พวกเราคงจะได้ทำบุญไว้ในอดีตแต่ชาติจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินแห่งนี้เราเกิดมาพบใดชาตใ ด, ดเราอาจจะไปเจอในภูเขาไฟแล้วว่าเจอแผ่นดินไหวแต่ตั้งจิตได้ที่ฐานธาุเนอร์ภูค่าอันนี้สงทานศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีอะไรก็ตามอย่าให้ข้าพ เ, เจ้าได้มาพบมาเจอในพื้นแผ่นดินที่เป็นอันตรายอย่างนี้ หน้าหวาดหน้ากลัวจริงๆแต่นี่นแหละอนนี้สงสัยว่าได้ทําบุญกรรมไว้ในอดีตที่ได้มาเกิดในปฏิรูปประเทศปฏิรูประเทสวาโซจะปุเพจักะตะปุญยตานี่ผมได้ทําบุญผมได้ทําบุญไว้ในอดีตกรรมทํากรรมดีไว้ในอดีตกะตะปุญญ า, าอัาตะซัมมาปณิธิในเมื่อเรานำมาเกิดในพื้นแผ่นดินแห่งนี้แล้ว อยู่ในปฏิรูปประเทศแล้วเราควรจะตั้งตนไว้ให้ชอบนั้นว่านะเราควรจะตั้งตนไว้ให้ชอบเมื่อเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินอย่างนี้แล้วสิ่งไหนที่มันดีเราก็ต้องตั้งตนไว้ชอบอย่าไปทำความชั่วในเมื่อเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินที่ปฏิรูปประเทศแล้วสิ่งที่มันชั่วจะไป ขนเข้ามาหาตัวเองกินเหล้าเมายาสุรานารีพาชออีสิ่งที่มันชัวช่วช้าเสียหายกินเหล้าเมายาขายขากทำความชั่วต่างๆอย่าทำให้ตั้งตนไว้ชอบอัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอ บ, อตต ส, มมชอบสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดสิ่งที่มันไม่ดีอย่าพูด ให้ตั้งตนไว้ชอบอันนี้ว่าอัตตสมาปนิธิอันนี้แหละอันนี้คือพวกเราได้สวดเมื่อกี้เนี่ยอเซวนาเจบาละนะัแล้วก็ บ, บทอื่นอื่นก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันมีการแผ่เมตตาปังมีการและลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังคุณและลึกถึงภูมิอุปกระคุณมีมากในที่เราพวกเราสวด แต่สรุปแล้วก็คือไม่ได้สวดอ้อนวอนเป็นการสวดฝักกรรมคือการกระทำถ้าพวกเราทำดีแล้วมันจะชั่วได้ยังไง้าเมื่อเราทำชั่วแล้วมันจะดีได้อย่างไรในเมื่อเราทำกรรมชั่วกาชั่วก็จะต้องให้ผลไปในทางที่ชั่วถ้าเราทำกรรมดีการกระทำของเราไปในทางที่ดีกรรมดีก็จะให้ผลไปในทางที่เป็นกุศล เพรา น, นให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบนะใ น, ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่เป็นวันพระและก็พวกเราได้มาพร้อมกันได้เจริญพระพุทธมนต์ได้กราบได้ไหวและเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้งว่าพวกเราไปเกิดในชีเลียในช่วงนี้นะ่ะ แตกละหกละหกละเหินไปเป็นบาปเป็นกรรมถ้าเราไปเกิดอยู่ณสถานที่อย่างนั้นอันนี้นับว่าเราเป็นันับว่าโชคดีพวกพวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยจุดนี้พวกเราได้ประกอบคุณงามความดีได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆคุณงามความดีนั้นจะเกื้อคุณหนุนพวกเราเกิดมาพบไรชาติใดคุณงามความดีเกื้อคุณหนุนแล้วมีแต่ความสุขกายสุขใจมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความผาสุขเข้าสู่จิตใจเ mm. พราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนับว่าเป็นผู้โชคดี mm. แต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้จุดอยู่เพียงแค่นี้ ท่านแนะนําสั่งสอนให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกก็คือให้ปฏิบัติเพื่อชําระใจของพวกเราให้หมดจดจากกิเลสจากราคะโทสะโมหะอ ย, เะยงง่เราจะกําจัดอย่างไงเราจะชําระอย่างไรนี่แหละในหลักธรรมคาสอนถ้าเราพวกเราศึกษาเข้าไปแล้วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่รู้กี่ครั้งถูกกี่คนให้พวกเรานั่งภาวนา ละอีกไม่นานมนอีกไม่กี่นาทีไปข้างหน้าเนี่ยพวกเราจะตลงพ่อเองจะให้พวกเรานั่งสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก่อนที่จะนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เราปนมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสง์เพราะว่าพระธรรม ในภาคปฏิบัติจิตภาวนาหรือว่าวิธีการกิจกรรมอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้แนะนำคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมจากนั้นท่านก็ประกาศพระธรรมคำสอนออกมาจากนั้นพระสงก์ก็ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวเผยแผ่บอกกล่า ว, กกาวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาจากนั้น เมื่อเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราก็ยอมน้อมรับว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลเป็นนิยานิกร ร, รมนําผู้ประพุทธปฏิบัติได้รับความร่มเย็นเป็นสุขกเย่งจากนั้นพวกเราน้อมยอมรับเพระนั้นเวลาเราจะไหว้เราจะนั่งภาวนาเราจึงประนมมือขึ้นระหว่างอกไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีพระคุณสําหรับเร า, าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ สามจบจากนั้นก็จะแผ่เมตตาอี ก, กได้ข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าไปเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นดวงวิญญาณอื่นทั่วทรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือแผ่เมตตาในจิตใจเป็นภาษาใจของเราเองจากนั้นก็เอามือลงจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ แต่หลวงพ่อจะให้พระท่านเปิด mp สให้ฟังแต่เราไม่ต้องส่งจิตไปถึง mp สามบอกให้อยู่กับพูดโทอย่างเดียวอยู่ที่ปลายดูที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเสียงมันจะเข้ามาทางหูเราก็รู้ว่าท่านพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรเท่า น, นั้นรับรู้รับรู้รับรู้ไม่ต้องจำํำการภาวนาการฟังเทศเพื่อเอาหลักเหตุผลไม่ต้องจ ไม่ต้องจำเพียงแต่รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางท่านพูดอะไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจอันนี้แหละฟังเทศเพื่อเอาเพื่อมักเพื่อความสุขใจเราไม่ต้องคิดจำนี่แหละคือการฟังเทศจากนั้นก็เมื่อเทศจบพูดจบแล้วท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ให้มันไม่ต้องคิดไปทางอื่นให้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตให้แน่วแน่วไว้ข้าไปเจ้าจะไม่ให้มันเผลอมันเผลอในขณะที่ข้าไปเจ้านั่งกำหนดลมอยู่เนี่ยแต่มันเผลอไปกดึงกลับมามันเผลอฉะนั้นกลับมาหาที่ปลายจมกูกบริกรรมพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธพุ ท, ทนี่แหละ ถ้าว่ามันยังเผลอไปอีกอยู่พุทโธให้ทีขึ้นไม่ต้องกําหนดลมหายใจเธอนี่ให้สำทับอยู่กับตัวผู้รู้รูนะ้มันรู้มันมันไปไหนวะเอาตัวสำทับอยู่กับตัวนั่นเทอเนี่ยพุทโทพุทโธพุทโธพุทธโทกับตัวที่มันมันมันออกไปนะั่นอ่ะตัวที่มันรู้รู้นะั่นผมสำทับกระจุดนั้นนี่แหละวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติในเมื่อเราทําจิตใจให้สงบเน่งะ นิง่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นสติกับจิตมันเน่งเมื่อรวมถึงขนาดนั้นแล้วนะ่ะเราเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเลยเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจตังธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติจะรู้ ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครในเมื่อถึงถึงจุดนั้นแล้วฮะ เ, เมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราไม่ต้องถามใครเรารู้ได้ด้วยตนเองเออเพราะว่าจากายกับใจใจกับกา ย, เ, ยเห็นได้ชัดร่างกายเนี่เป็นอันหนึ่งจิตใจนี่คือนามนามธรรมเน่เป็นอันหนึ่งตัวที่จะพาไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารน่ยคือนามธรรม แต่ตัวรูปธรรมเนี่ยงงยังไงยังไงมันก็จะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำหลงไฟไปตามสภาพของมันนี่แหละจากจะให้พวกเราทุกๆุกท่านนะให้นั่งภาวนาจากนั้นจะทำยังไงต่อไปนะมันมีขั้นตอนต่อไปอีกทั้งมากมายนะแต่เอาเอาได้เพียงแค่นี้ก่อนท่าว่าเรา เ, เหมือนกับเรารเริ่มใหมนะ่ก่อไก ขอไข่ถึงยังไม่ถึงหอนกฮูกแล่วเราจะไปเรียนนู่นเอเออประมาณการอย่างงู้ประมาณการอย่างนี้นะจะหลดดาวเทียมเออนาซาไปเรียนไปถึงนู่นไปมันก็เกินฐานะของเราเราเอาเถอะให้เรียนกอไก่ถึงหอนกฮูกซะก่อนสรุปแล้วก็คือทําจิตใจให้สงบซะก่อนในเมื่อจิตใจของเราสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วเราจะพิจารณา ศึกษาในขั้นตอนต่อไปมันมีมันไม่ใช่อยุดหยุดเพียงแค่นี้นะมันมีอยู่อันนี้เรียกสมัะทําจิตใจให้สงบเนี่ยเป็นวัดในธรรมะธรรมะสมาธิหรือสมัตนะิธรรมแต่ว่าเราเมื่อเราสมัติธจิตของใจของเราสงบเป็นพื้นฐานแล้วเราก็เดินวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานมันมีอีกนะวิปัสสนาเนี่กว้างขวางมาก ในหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมถะในยินในวงจํากัดมีคณิกาอุปจาระอัปนามีวงจํากัดแต่วิปปชนานะั้นกว่างขวางนะกันรัตชาญาดโยมลูกหลานนอันนี้วันนี้หลวงพ่อบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแระนั่งสมาธิแล้วนะและ้วก็ตัง้งจิตในตั้งจิตตั้งใจบ่าข้าไปเจ้าจะไม่ให้มันเผลอ ให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สดุดอันนี้ลระคือเป็นพื้นฐานนะเอาต่อนี้ไปนั่งสมาธิแล้วนที่นี่นะนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นประนมมือซ ะ, ะ, ะก่อนไหวครูซะก่อนไหวปกติเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนจากนั้นยังค่อยระลึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆยังค่อยเอามือลงและกาหนดลมหายใจเข้าออกทีละ